เป็นโลกสันนิวาสที่เดือดร้อนบุ่นวายสับสนถามว่าเดือดร้อนด้วยอะไรเราพูดได้เลยสัตว์ที่กำลังเป็นอารมณ์อยู่ขณะต่อหน้าเราเรานี้เนี่ยเคยเดือดร้อนด้วยไฟคือราคาโทสะโมหะหนีไม่พ้นสักคนหนึ่งนะนี่ใครปฏิเสธมั้งครับว่า ตัวเองไม่เคยโกรธไม่เคยพิตกไม่เคยกังวลเน่ยไม่มีแล้วครับนะแล้วก็มากๆด้วยนะไม่โลภก็โทสะไม่โทสะก็โมหะหมุนหมุนเวียนอยู่นี่นั่นนนจะเกิดนั่นๆไฟจะดับสักทีคือกุศลจิตเกิดมาหลา่ไฟดับวันนั้นเพราะฉะนั้นมองหน้าพับเห็นเลยถ้ายิงกําลังขับรถที่กําลังเร่งรีบนะ ด้วยความมิตอ ก, กังวลอะไรก็แล้วแต่นะก็ยิ่งเห็นชัดอย่างนี่นะโดยเฉพาะผู้ที่ขับรถเครื่องเนี่ยนะต้องฝ่าฝุ่นฝ่าเสียงอะไรมาเนี่ยโอ้เห็นใจเลยคนขับรถเก่งไม่ค่อยเข้าใจหรอกครับถ้าคนนั่งรถเครื่องนะจะลืมตามไม่ขึ้นอะ่ะนะฝุ่นฟือ น, นอะไรเนี่ยมันเยอะคือถ้าหากว่าเราตรึกอย่างนี้นะเราจะรู้สึกเราจะเป็นมิตรกับเข้าทันทีเลยอะ่ะ เห็นใจเลยเป็นมิตรได้เลยเจริญเมตตาได้เลยนี่เพียงข้อเดียวนะส่วนอีกสามข้อนะั้นน่ะถ้าท่านตึกได้นะรับรองท่านเจริญเมตตาได้ตลอดสายครับเนะข้อที่สองก็คือโลกอัญชลา น, นำเข้าไปไม่ยั่งยืนไม่มีที่พึ่งไม่มีที่เกาะไม่มีที่ต้านทานทุกคนหมดนะครับทุกคนที่เราเห็นอยู่ในท้องถนนนี่นะะหน้าเดิน เดินหน้าอย่างเดียวตกหน้าผาหมดคือมอรณะอัตราความแก่นี่นะเท่ากันหมดนะท่านอย่าลื ม, มว่าวัยทองก็ดีท่านกําลังวัยรุ่นหรือวัยกาลังนั่นก็ดีนะเหมือนกันหมดนะอัตราการแก่นี่เหมือนกันหมดนะวันนึงผ่านไปผมแก่ไปวันหนึ่งท่านก็แก่ไปวันหนึ่งนะแม่รู้สึกว่าอมืมันยุติธรรมจริงจริงนะนะอัตราการแก่นะไม่มีใครใช้ความแก่เกินได้สองวันเลยอะ หรือครึ่งวันไม่มีทุกคนหมดโคต้าหมดไปวันก็หมดไปวันจริงแล้วก็นั่นแหละมุ่งหน้าต่อไปนั่นแหละเนี่ยข้อที่สามก็คือว่ า, า, าโลกอันไม่มีสิ่งใดเป็นเจ้าของย่อมละทุกสิ่งไปนี่นะถ้าเราตึกข้อนี้นะเรามองเห็นหน้าคุณไหนเราพูดได้เลย อีกหน่อยรถคันนี้แกก็ต้องทิ้งไปแกไม่ทิ้งอีกหน่อยรถมันก็ทิ้งแกไปเองแล้วเป็นเรื่องจริงนะแม้แต่รถเรากําลังขับอยู่นี่แหละวันหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องจากเราไปมันไม่จากเราไปเราก็จากมันไปนั่นแหละเพราะฉะนั้นทุกคนหมดเนี่นะถ้าเรานึกอย่างนี้ได้เนี่ยเมตตาเกินนะมันเมตตาเกิดจริงๆนะเขาไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของอะไรเลยอะ่ะนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งคือว่า โลกพร่องอยู่เป็นนิดเนี่ยอ้มันพร่องจริงจริงนะนะเน่ยเรื่องเรื่องเรื่องพูดถึงเรื่องตันหาเรื่องโลภะนี่มันไม่มีใครเพียงพอเลยเนี่ย อ, นนอันนี้ก็เราจะเอามาตึกยังไงก็ก็จเจริญเมตตาได้อะนะขณะนั้นนะ่ะใจท่านอ่อนโยน้ายใจท่านเห็นสัตว์รอบตัวท่านในท้องถนนเนี่ยรับรองได้นะท่านมองเขาด้วยความเมตตาจริงๆก็ลองดูนะลองไปตึกดูก็แล้วกัน นะครับท่านจะมีอะไรบ้างไหมครับก <c oughs> ่อนหลังมาคนเดียวรู้สึกว่าจเจริญดีเนาะกุศลเจริญนะนั่นแหละทั้งการเดินคนเดียวที่ไม่มีข้างหน้าไม่มีข้างหลังมันเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะก็แล้วก็ความสุขของผู้ที่มีอัธยาศัยในลักษณะส ม, มณะเพศนะมางคนที่มีอัธยาศัยที่เป็นส ม, มณะนั้น จะมีความสุขต่อเมื่อได้อยู่คนเดียวเป็นความสุขซึ่งคนที่มีอัตยาศาัายชอบคลุกคลีเขาก็ไม่เข้าใจนะมันก็เป็นความสบายมันไม่วิตกไม่กังวลไม่ห่วงหน้าไม่พวงหลังเหมือนถ้าหากว่าเราเคยเห็นช้างซึ่งอยู่ในโคลงใหญ่ๆเป็นหัวหน้าช้างมามากัมากๆนนอนคอยวิตกคอยกังวลคอยดูแล ข้าเหล่านั้นทะเลาะเบาแวงกันก็ต้องไปคอยห้ามคอยปรามทั้งช้างพังทั้งช้างพลายมันก็เดือดร้อนกันเวลาจะทานไอ้ก็อยากจะกินใบไม้ใบหญ้าช้างเล็กช้างน้อยมันก็เดินปัดหน้าปาดหลังนั่นแหละทีก็จะกินน้ำพวกก็ไปกวนให้คุณทั้งหมดหาความสงบหาความสบายไม่ได้แต่เมื่อใดที่ พญาช้างมาตังคะเนี่ยอายุหกสิบปีรกวัลละออกจากคลองออกจากหมู่ไปแต่เพียงผู้เดียวมันช้างนั้นก็เป็นช้างที่เรียกว่าถึงความสบายเป็นช้างที่องอาจพระผู้มีพระภาคสมัยที่พระองค์อยู่ที่เมืองโกสัมพีซึ่งภิกษุทั้งหลายเนี่ยทะเลาะเบาแวงกันต่างคนก็ต่างเป็นบัณฑิตต่างคนก็ต่างเป็นปราก ใช่วาจาคือหอกเนี่ยทิมกันไปทิมกันมาพระองค์ก็ห้ามกรามตัดเตือนภิกษุกลุ่มนั้นไม่เชื่อพระองค์ก็เก็บบาทเก็บจีวรเนี่ยเข้าป่าไปอยู่ในช้างป่าลิลายะกะมีช้างตัวนั้นซึ่งละจากโคลงเหมือนกันช้างนี่ก็โอ้สบายเหลือเกินนะได้ได้พ้นจากโคลงซึ่งมันทุกข์เหลือเกินอ่ะนะมันวุ่นวายไปหมดพระพุทธเจ้าก็บอกโอ้ออกจากพวกสงที่ย่อยยุกยับอยู่นี่ก็มีความสุขเหลือเกินต่างก็มาอยู่แค่ว่า อัธยาศายวิเวกเหมือนกั น, น, นช้างก็เปอุปถักพรรษาหนึ่งพระพุทธเจ้าจำพรรษาในป่าพระองค์เดียวอยู่แล้วก็มีช้างเนี่ยเป็นอุปถักต์คอยถวายนะ้ำถวายอะไรอยู่ในป่าอลิงเนี่ยเป็นข้างเดียวไปถวายอยน้ํำพึ่งข้างเดียวแต่ลิงก็ไม่ได้ว่าอยู่อุปถักอะไรช้างอยู่อุปถักต์หลการที่ผู้ที่เจริญ กรรมฐานนั้นกายวิเวกมีความสําคัญมากต่อการงานทางจิตนะเพราะว่ามันไม่มีเรื่องอื่นเข้ามาก็คิดดูนะเราอยู่คนเดียวขันก็มีขันแค่ห้าใช่ไหมอยู่สองคนก็ขันสิบไปแล้วทีนี้ขันเนี่ยมันเสมอการไหมล่ะบางทีศรัทธาไม่เหมือนกันบ้างมีศีลไม่เท่ากันมีศรัทธาไม่เท่ากันอันความทุกข์อีกอย่างหนึ่งก็คือการอยู่ร่วมกับคนที่ไม่มีศรัทธาเหมือนกันไม่มีศีลเหมือนกันมันก็เป็นความทรมานอีกอย่างหนึ่งเหมือนกัน อันถ้าหากว่าเราได้อยู่กับกัลยาณมิตรที่มีคุณเสมอกันกับตนหรือยิ่งกว่าตนเนี่ยก็เป็นความสุขที่ที่ดีกว่าไปนคนเดียวนั่นแหละเพราะองค์กล่าวว่าถ้าหากว่าหามิตรสหายที่ไม่ได้เท่าตนแล้วก็ไปแต่เพียงผู้เดียวเหมือนหนอแรกนั่นแหลเหมือนหนอแรกไปแต่เพียงผู้เดียวถ้าไม่ได้คุณธรรมเท่ากันท่านพระพุทธเจ้าบอกว่า ถ้าคบบุคคลผู้ต่ำกว่าเราก็จะต่ำไปด้วยถ้าคบบุคคลผู้เสมอการเราก็เสมอกันคือเท่ากันถ้าคบคนที่ดีกว่าก็จะมีคุณธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปทีนี้พระองค์บอกว่าอย่าพระองค์แนะนําว่าอย่าคบกับบุคคลผู้ต่ำกว่าคบก็คือคาว่าร่วมคลุกคลีร่วม ค, ความคิดกิจกรรมในคนที่ต่ำกว่านะี่อย่าอยา่าอย่ากเกี่ยวข้องกันอย่างนั้นให้คบเขาตั้งจิตเพื่ออนุเคราะห์ ถ้าอนุเคราะห์ไม่ได้แสดงว่ารีบออกไปเถอะรีบจากได้เลยเพราะเราก็จะต่ําแบบนั้นแหละเขาจะต้องโน้มไปคือในสองคนนี้มันต้องปรับเข้าหากันไอการปรับเข้าหากันคนละครึ่งนั้นอะ่ะนะถ้าคนดีปรับไปหรือคนชั่วปรับไปหาคนดีมันก็มีอยู่สองอย่างนั่นแหละคุณวิลาวันครับที่บ้านมีสุนัขกี่ตัวครับ อ่อรวมที่ตกลงที่บ้านก็มีอยู่สิบห้าขันเนาะ <c oughs> พอพูดถึงขันมันกระทบกันนี่นะแม้แต่มีอยู่ห้ามึ่งไม่ไอยู่คนเดียวนะไอห่านมันกระทบกันเองได้เหมือนกันนะ <c oughs> นั่นละเ <c oughs> นี่ยห่านเนี่แนละ้วมันกระทบกันเองช่วงช่นช่วงเช่งอยู่ในตัวเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดมีในบ้า น, นะมีสักยี่สิบถ้ามีเกิดมีสักสิบคนนี่นะ มันห้าสิบขันมีขันอยู่ห้าสิบใบในบ้านเนี่ยมันต้องชงเช่นชงเช่นชงเช่นกันใหญ่แน่ๆเลยมันเห็นภาพเลยนะว่ามันมันมันอะไรอะมันกระทบกระแทกมันกระเทือนกันถึงกันหมดเลยนะแลวอยู่ด้วยกันโดยที่สงบม่เมียครับยากมีปาญาหนึ่งนะอยู่กับพระเนรในวในวัดเนี่ยสามสิบกระล و เป็นไงครับอของก็ร้อยห้าสิบขันแล้วก็มีสุนัขกี่ตัวครับ มีพนั ก, กเกือบสิบตัวสิบตัวอีกห้าสิบขันครับสองร้อยขันครับจริงดีจักกันในรายรอบๆวัดไม่นับ <c oughs> ปลาหมูไอ้ต่างหากเพราะฉะนั้นในในปีนั้นเนี่ยนะแล้วก็เมื่อเทียบกุศลเจริญกับปีนี้ก็หากกันเยอะนย <c oughs> คืออยู่กับคนกลุ่มใหญ่ๆซึ่งมีศรัทธาไม่เท่ากั น, นศีลอาจจะเท่ากันแต่ว่าทิฏฐิไม่เสมอกัน เมื่อที่ที่ไม่เสมอกันที่ทางชีวิตที่ตั้งไว้ไม่เหมือนกันดงั้นความเจริญงอกงามทางจิตใจก็ก็น้อยลงเป็นธรรมดาเท่านั้นเพราะนั้นกุศลจิตก็มีปัจจัยนั่นแหละเนั้นปัจจัยที่ทําให้เกิดกุศลจิตนั้นบุคคลรอบข้างเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญมากถ้าเราไม่ได้บุคคลที่รอบข้างที่เกื้อกูลต่อกุศลเขาเรียกว่าไม่มีบุคคลสปายะสปายะนี่เกื้อกูลต่อกุศลจิตมาก นั่นแหละอาหารก็เป็นสปายะอย่างหนึ่งต่อกุศ ล, ลจิตนั่นแหละคำพูดในชีวิตประจําวันก็เกื้อกูลต่อกุศ ล, ลจิตเหมือนกันสปายะหรือไม่สปายะการใช้วาจาก็มีความสําคัญมากแม้กระทั่งเรื่องอากาศอุตุพวกนี้ก็เป็นสปายะกับกุศลมากนั่นแหละถ้าหากว่าเราสามารถที่จะคัดสรรได้คนนั้นก็สามารถที่จะตรัสรู้ธรรมได้แต่ถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะ หาสัปพายะให้กับตัวเองได้การเจริญงอกงามในกุศลธรรมนี่จะยากจะยากมากมันก็ได้เหมือนการเจริญได้แต่ก็กระพร่องกระแพงเต็มทีนั่นแหละเจริญแบบคือถ้าหากว่าเจริญแล้วมันไม่ต่อเนื่องนะบางคนมันจะลาเหมือนกันมันคิดว่าไม่เกิดโอชารสอะ่ะคือเจริญกุศลจนไม่ไ ม, ไม่ไม่เห็นผลหมายความว่าเจริญจนไม่ได้รับความสุขในกุศลธรรมเนี่ยบางทีชีวิตมันก็ท้อแท้เหมือนกันนะมันเหนื่อยมันล้าเหมือนกัน นี่ขอกล่าวถึงข้อความในอัตถกถาคุกะนิกายคุกะปาถะที่กล่าวอุปมาของพระรัตนตรัยกล่าวอุปมาว่าพระพุทธเจ้าอุปมาเหมือนกับ เ, เมื่อวานกับเมื่อวานก่อนนั้นได้กล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเหมือนกับบุคคลผู้ชี้ทาง พระธรรมก็เหมือนกับทางที่ดีหรือพื้นที่ที่ปลอดภัยพระสงฆ์ก็เปรียบเหมือนผู้เดินทางไปถึงที่ที่ปลอดภัยน้วันนี้ก็มาขึ้นว่าพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนนายเรือที่ดีพระธรรมก็เปรียบเหมือนเรือพระสงฆ์ก็เปรียบเหมือนชนผู้เดินทางถึงฝั่งอาศัยอาศัยเรือ คือพระธรรมมีพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของเรือเพราะฉะนั้นพระธรมธรมธรรมนาวาทั้งหมดในศาสนานี้ถือว่าเป็นของพระพุทธเจ้าแต่เพียงผู้เดียวนั่นแหละอันมักผลนิพพานซึ่งบุคคลใดปฏิบัติเกิดในยุคนี้นะตั้งแต่สมัยพระผู้มีพระภาคจนหมดศาสนาเกิดนี้ถือว่าคนนั้นประพฤติพรหมจรรย์ของพระผู้มีพระภาคเพราะพระธรรมนี้พระพุทธเจ้าเป็นคน คนพบเป็นผู้แสดงผู้กล่าวผู้ประกาศผู้เปิดเผยผู้ทําให้เตือนผู้ทําให้แจ้งผู้แนะนำานั้นธรรมะทั้งหมดเหล่านี้ก็เป็นเหมือนของพระพุทธเจ้าพระธรรมเหล่านี้นะจึงเหมือนกับเรือเคยได้ยินว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจมอยู่ในห่วงน้ำโอฆ่า เ, เคยคิดไหมว่าเรากำลังจมน้ำเคยคิดมนั่นไ แสดงว่าไม่ไม่ค่อยอยู่ในน้ำมากใช่ไหมก่อนที่ที่ ท, ที่อยู่ที่อุบลเนี่ยนะมันมีเกาะกลางน้ําอ่ะเราอยู่กลางน้ําเนี่ยพอนึกถึงว่าห่วงน้ําท่วมทับสัตว์เนี่ยนึกถึงน้ําซึ่งมันมีบางวันมีคลื่นเยอะนะ <S <S ทีนี้สัตว์ก็เหมือนกับปลาที่มันจมอยู่ในน้ <S <S <S ําอ่ะทีนี้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยจมอยู่ในห่วงน้ําห่วงน้ําซึ่งมันกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยเหมือนกับโลภะที่มันเกิดในชีวิตนะ กามะโอคะซึ่งมันท่วมทับสัตว์ทั้งหลายเมื่อท่วมทับอยู่อย่างนี้เนี่ยถามว่าเรือที่จะเดินทางมีหรือยังงั้นพระพุทธเจ้าก็เอาเรือมาเลยปาดหน้ามาขึ้นไหมบอกว่าขึ้นมานะงั้นถ้าขึ้นมาแล้วจะพาไปถึงฝั่งที่ที่ปลอดภัยที่ที่กเกษ่ตรถ้าเรือนี้เป็นของพระพุทธเจ้ามันอยู่ในน้ําเราแม้แต่ฟัง อันเดียวก็จะพอจะเกาะก็เกาะไม่ได้เลยถ้าโลภะเกิดเราจะแก้ปัญหายัางไงเอาให้มันเบาบางทั่วไปนะถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมคําสอนนะถ้าโลภะเกิดเราจะเอาอะไรมาข่มใจนั่นแหละถ้าวิชาเกิดนี่ทำจะแก้ปัญหายัางไงอันอาจะไม่มีทางเลยแต่ทีนี้พอพระธรรมมาท้าบปึ๊บนะขึ้นมาพระองค์ก็โอ้โหเรื่องพระองค์สําเพาใหญ่เหลือเกินขึ้นยากพระองค์ก็หย่อนเชือกลงมา ให้เราขึ้นนะขณะที่เรากําลังศึกษาประทามเราก็เหมือนกับกําลังที่จับเชือกนั่นแหละนะเริ่มศึกษาความรู้แต่ว่าในการสาวตัวเองดึงขึ้นเพื่อที่จะขึ้นเรือนี่ก็ไม่ใช่ของของง่ายนะักนั่นแหละเพราะว่าห่วงน้ํานี่มันมันดูดเหมือนกันนะเราถือว่าจับเชือกได้แล้ ว, ลวโอนใจได้แล้วแต่ไม่ขึ้นเนี่ยไม่แน่นะเดี๋ยวดูดลงจมไปอีกนันแหละ ที่นีจมอาจจะถึงอ บ, บายด้วยก็ได้โอกาสที่มีเรือมาทาาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเมื่อไร่่อะในห่วงน้ําซึ่งมันใหญ่เหมือนกับทะเลมหาสมุทรนั่นแหละอันพระทรมคําสอนของพระผู้มีพระภาคนั้นก็เหมือนกับเรือที่สามารถที่จะช่วยเราให้ให้ถึงฝั่งได้เคยคิดไหมว่าความรู้ในเรื่องของสติปทานสี่สัมปทานสี่ สิ่งเหล่านี้เนี่ยกุศลธรรมเหล่านี้เป็นเหมือนเรือที่จะทำให้เราไปถึงฝากถึงฝั่งถ้าหากว่าไม่อาศัยพระธรรมคำสอนเหล่านี้มีทางอื่นบ้างไหมที่จะถึงฝั่งแห่งชีวิตถึงถึงที่เกษมถึงที่ปลอดภยัยไม่มีหรอกงนั้นคำสอนของพระผู้มีพระภาคที่เป็นพระธรรมรัตนะเนี่ยนับตั้งแต่สวากาโตภควตาธรรมโมพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วนี่แหละ ที่จะช่วยรื้อขนชีวิตของเราให้ถึงความปลอดภัยถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจพระธรรมคําสอนชีวิตของเราเนี่ยนะวันนี้เราจะยิ้มได้แต่พรุ่งนี้ก็ไม่รู้ว่าจะร้องให้หรือเปล่านั่นแหละก็เหมือนกับอในบางคนเนี่ยปุ๊บพอได้ข่าวญาติตอนนี้หัวเราะกันเนี่ยพอญาติบอกว่าญาติเสียชีวิตปุ๊บเนี่ยร้องให้ทันทีเลยเราก็จะเห็นหูปัญหาของของชีวิตเนี่ยมันถึงทุกทรมานมากมายมหาศาล ถ้าเราไม่มีพระธรรมคำสอนมาเกาะมาช่วยเหลือมาเกื้อกูลมาสงเคราะห์ชีวิตของเราแล้วชีวิตของเราเนี่ยแหละเป็นชีวิตที่ที่อยู่ในห่วงน้าเรามีเพื่อนดูเหมือนมีเพื่อนแต่ก็ไม่มีเพื่อนดูเหมือนมีแส่แล้วก็จะใช่ไหมโมทอยางโยมุกานเนี่ยประสบะการณ์ยาวนานเนี่ยนะยาวนานแล้วจะรู้ว่ามิดแท้นอกกนั้นรู้สึกว่าก็เหมือนกับเจอ เหมือนกับต้นไม้ริมทางเท่านั้นต้นไม้บางต้นก็ให้ร่มเงาบางบางแห่งก็มีผลให้กินด้วยต้นไม้บางต้นนะริมทางริมทางชีวิตนะบางต้นก็มีน้ำบางต้นก็เป็นต้นไม้มีพิษโปรยพิษมาใส่ก็ ม, มีคนที่เกี่ยวข้องมาในชีวิตของเราก็จะเป็นในลักษณะนั้นจากอีกแข่งหนึ่งไปสู่อีกแอ่งหนึ่งจากคนหนึ่งไปพบอีกคนหนึ่ง ดูเหมือนมีเพื่อนแต่ก็ไม่มีอันบโรษนั้นมีอะไรเป็นเพื่อนจริงๆเพื่อนแท้คือใครมีตันหาเพื่อนสองท่องเที่ยวไปในวัตตะนั่นะมีตันหาเป็นเพื่อนสองพาไปถ้า ต, ตันหาบอกไม่เอามันก็ไม่เอาไปตันหาอย่างหนึ่งก็คือกระซิบกระาบอันในวัตตะของเราเนี่ยถ้าไม่มีพระธรรมคำสอนเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะเดินไปไหนที่สุดของชีวิตเนี่ยอยู่ที่ไหน ถ้าหากว่าคนสมัยก่อนปุ๊บเนี่ยนะอย่างพระพุทธเจ้าพอพระองค์ได้รับพุทธธรรมนายปุ๊บพระองค์มือนก็น ว, ว่าพรุ่งนี้พระองค์เนี่ยพ้นละนะหรือพระอริยะสาวกทั่วไปที่ท่านปฏิบัติธรรมในพระผู้มีพระภาคไหมท่านคิดว่าวันนี้นี่แหละเป็นวันที่ท่านพ้นทุกข์วันนี้แหละเป็นวันที่ท่านพ้นทุกข์แล้วของพวกเราบอกได้ไหมเมื่อไหร่คือวันพ้นทุกข์ของเราวันไหนคือวันไหนคือวันที่เราเข้าใจพระธรรม เป็นวันไหนที่เราเข้าใจอริยสัจวันไหนที่เราแทงตลอดความจริงในาศาสนาพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นี้เป็นไปได้ไหมเรือนี้มาจอดท่าบแล้วเนี่ยเราขึ้นบกได้ไหมถ้าขึ้นบกไม่ได้แล้วเมื่อไหร่จะมีเรืออีกลำหนึ่งมาเรืออีกลำหนึ่งก็คือเรือของพระศรีอาเมื่อไหร่นะแผ่นดินเนี่ยจะต้องสูงขึ้นอีกเป็นสิบกิโลเมตรนั่นแหละ แผ่นดินนี้สูงขึ้นไปอีกเป็นสิบกิโลเมตรจึงจะมีพระผู้มีพระภาคองค์ใหม่มาตรัสสรุ้เพราะพระองค์นั้นมาตรัสสรุ้ในยุคมนุษย์มีอายุโดยเฉลี่ยประมาณแปดหมื่นปีแปดหมื่นปีของเรากี่ปีกะ <c oughs> ไม่แน่นอนเลยนะจะบอกว่าเจ็ดสิบห้าปีก็ไม่ได้นะที่รุ่นน้องก็ตายไปตั้งเยอะ <c oughs> เราแน่นอนไม่ได้ทักอย่างบางคนจริงเขาอาจจะอายุยืนแต่เราแน่ไหม มีอะไรแน่นอนนะคนที่อายุยืนมาแล้วก็แล้วไปถือว่าผ่านมาดีแล้วล่ะแต่ที่เหลือนี่มันไม่มีนิมิตเครื่องหมายอะไรนั้นสิ่งที่ไม่มีนิมิตเครื่องหมายคือความตายไม่มีนิมิตว่าเมื่อไหร่สถานที่ที่ทอดทิ้งร่างกายก็ไม่มีนิมิตเครื่องหมายว่าที่ไหนพบหน้าก็เหมือนกันไม่มีนิมิตเครื่องหมายเลยขนาดนี้นะจะไม่มีนิมิตเครื่องหมายคือคือผู้ที่กุศ ล, ลจิตไม่นานแน่นเนี่ยไม่มีนิมิตเครื่องหมาย จะมีต่อเมื่อใกล้าตายเคกกรื่องกรรมมณิมิตกรรมมณิมิตคตินิมิตนั่นแหละพวกนั้นแหละจะเป็นเครื่องหมายว่าจะไปพบใดแต่ในขณะนี้เราจะไม่รู้เลยว่าที่ไปของเราอยู่ที่ไหนจะไปไหนพบไหนไอาจจะว่าเอ๊ะเราจะอยู่อย่างนี้อมาตะหรือคนตายให้เห็นกันเยอะแยะไปใช่ไหมคนอื่นๆที่ไม่น่าตายเขาก็ตายไปเห็นต่างเยอะแยะญาติๆเราก็ตายไปมากแล้วอยู่อ่ะจะว่าไม่ตายก็ไม่ใช่จะว่าเที่ยงก็ไม่ใช่ ที่เรามาลองไล่ว่าเอ๊ะชีวิตแบบนี้มันจะอยู่อีกนานไล่ว่าเอ๊ะตาน่าจะทนนะเป็นแสงสว่างของชีวิตใช่ไหมใช้ตาเนี่ยมองเห็นเอ๊ะตานี่คนเป็นโรคตาก็เยอะแยะเราก็เจ็บตาก็บ่อยเอาหูหนระือบางทีหูดันไม่ได้ยินเสียงอีกก็มีใช่ไหมเอาส่วนไหนของร่างกายแหละเอาฟันเนอะโอ้โหมอก็ผ่ามาตั้งเยอะแล้วไม่ทนนักอย่างเลยมีอะไรมั่นคงบ้างเอะพอที่จะจะอยู่ตรงเนี้ยไปก็ไม่ไป อยู่นี่แหละอยู่ก็ไม่ได้จะไปก็ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนเพรานั้นชีวิตของผู้ที่ไม่มีไตรสารณคมนั้นเป็นชีวิตที่ว้าเวที่สุดเลยแต่ถ้าเรามีไตรสารณคมปั๊บเราจะรู้เลยว่าเป้าหมายจริงๆของเราคือคืออะไรนั่นแหละเราสามารถบอกตัวเองได้เลยบอกจิตของตัวเองได้เลยว่าเรามีอะไรเป็นเป้าหมายมีที่พึ่งนะถ้าคนที่มีไตรสาระคมพอพูดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละเป็น ที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายนับทิเมสรนังอันยังสาระอื่นของข้า พ, พเจ้าไม่มีพุทโธเมสรนังวรังพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสาระที่ประเสริฐสูงสุดใช่ไหมพระธรรมก็เป็นสาระที่ประเสริฐสูงสุดพระสงฆ์ก็เป็นสาระที่ประเสริฐสูงสุดที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลชีวิตของเราดังนั้นถ้าหากว่าเราเห็นคุณค่าของพระธรรมมากขึ้นปึ๊บเราจะรู้ว่าพระธรรมแต่ละคำเหมือนกับขุมทรัพย์ นะซึ่งจะกล่าวต่อไปทีนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนป่าหิมพาน์พระธรรมเปรียบเหมือนโอสถยาที่เกิดแต่ป่าหิมพานนั้นเรียกว่าแหล่งกําเนิดของยาพระสงฆ์เปรียบเหมือนชนผู้ไม่มีโรคเพราะใช้ ย, ยาคือเราป่วยในะเราไม่รู้เราว่าคนหายป่วยเป็นยังไงนั่นแหละเพราะพวกเราป่วยด้วยราคะป่วยด้วยโทสะป่วยด้วยโมหะอยู่ ข้อความในโรคสูตรอังคุตระนิกายจตุการีิบทต่กล่าวว่าบุคคลผู้ปฏิญาณตนว่าไม่เป็นโรคเลยตลอดหนึ่งวันสองวันหรือตลอดเป็นปีๆเนี่ยนะเป็นร้อยปีก็พอหาได้แต่คนที่กล่าวว่าตัวเองไม่เคยเป็นโรคทางใจเลยโรคคือโลภะเป็นต้นเนี่ยเว้นพระคีนาศพแล้วหาได้ยากในโลกนั่นแหละ ถ้าเราปล่อยจิตไปเห็นรูปเห็นเสียงเห็นกลิ่นเห็นรสโภทะภะเนี่ยนะที่เรารับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีขณะไหนบ้างที่ว่างจากราคะว่างจากโทสะว่างจากโมหะเป็นจิตใจที่ไม่ได้มองอะไรด้วยอคติเลยมองสีอย่างที่สีเป็นมองสีตามความเป็นจริงเลยว่าสีรูปารม์มีสมุทฐานสีประการ รูปารมเหล่านี้ถ้าสมุทฐานนั้นนั้นไม่มีสีเหล่านั้นก็ไม่มีนะมองความจริงอย่างนี้บ่อยไห ม, ไมถ้าไม่บ่อยก็แสดงว่าเรามองด้วยอัคติตลอดเลล่ะป่วยตลอดเลยทางธรรมเรียกว่าป่วยไปด้วยอํานาจของราคะโทสะโมหะเป็นความป่วยซึ่งไอ้โลภะเนี่ยมันป่วยแบบแบบไหนป่วยเหมือนไม่ป่วยอะ่ะคนเกิดโลภะนะมันมีความรู้สึกว่าตุที่จริงเขาเป็นคนป่วยแต่เขามีความคิดว่าเขาไม่ป่วยนั่นแหละ แต่เมื่อเขาหายแล้วนั่นแหละหรือเขาเห็นเห็นอาการของพิษที่ชักออกมานั่นแหละเขารู้โอ้โหป่วยตลอดเลยเหมือนกันคนที่เป็นอาคูส ล, ละจิตจะไม่รู้ตัวเลยนะว่าตัวเองเป็นอาคูสนต่อเมื่อเขาเจริญกุศลได้ระยะหนึ่งแล้วจะรู้ว่าโอ้โหชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยอาคูสนมันกลุ่มรุมเขาจริงๆริง น, นแหละอย่างอย่างสมัยก่อนที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมคําสอนเนี่ยเราก็ว่าเราก็ไม่เป็นไรนะพอมาศึกษาพระธรรมคําสอนแล้ว ย้อนกลับไปดูใหม่โหชีวิตขนาดนั้นถ้าถ้าตายตั้งแต่นขนาดนั้นต้องสายไปอา บ, บายไปเรียบร้อยแล้วป่านนี้นั่นะดูว่าหวาดเสียวชีวิตเลยนะเสียวทันหลังวูบขึ้นมาเลยโห<ฮ>ชีวิตไม่มีความปลอดภัยอะไรสักอย่าง